ท่านผู้จริญทั้งหลายณโอกาสนี้จะได้กล่าวธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องกระดับความรู้และเป็นแนวคิดของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ความจริง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 เป็นเรื่องของความจริงของสภาวะธรรมเพื่อจะทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอาตามาขอใจะจะอาจจะขอแบ่งคําสอนหรือคําที่เรียกว่าธรรมะนั้นออกเป็นสองประเภทก่อนธรรมะที่เราถือว่าเป็นคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งออกได้เป็นสองประเภท ประเภทหนึ่งเรียกว่าสภาวธรรมอีกประเภทหนึ่งเป็นธรรมะคําสอนธรรมประเภทที่เป็นสภาวะธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดที่เรายอมรับว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะเหตุว่าความจริงของสภาวธรรม พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้เช่นรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมักเป็นต้นอันนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นรู้คนอื่นถึงแม้ว่าจะมีส่วนรู้อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่รู้เหตุรู้ผลและรู้ไม่ซึ้งเหมือนพระพุทธเจ้า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 อันนั้นก็คือสภาวธรรมแม้แต่วิชาความรู้ที่เราเรียนมาจะเป็นขแขนงไหนศาสตร์ไหนก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็คือสภาวธรรมทั้งสิน้นนี่แหละคือสภาวธรรมอันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งเขีนจริงมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะธรรมอันเป็นของของเราคือกายกับใจนี่นอกจากพระพุทธเจ้าจะทรงทรงรู้ความเป็นจริงของมันแล้วก็ยังสามารถที่จะทรงทราบว่าสภาวะธรรมนี้มันเกิดมาเพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุคนที่เกิดมาเป็นคนนี่อาศัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดมาเป็นคน อันนี้พระพุทธเจ้าก่อทราบเหตุที่ทำให้คนต้องเกิดมาเป็นคนก็เพราะอาศัยว่าคนพยายามรักษาศีลห้ารักษากรรมบุ10สิบเมื่อใครทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีผู้นั้นมีกติอันเที่ยงแท้จะต้องเกิดมาเป็นคนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบ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 ใครๆครเขาก็รู้กันอยู่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทําไมหนอพระพุทธเจ้าจึงให้มาพิจารณาดูความแก่ความเจ็บและความตายที่พระองค์ให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายก็เพื่อเป็นอุบายให้สาธุชนรู้แจ้งเห็นจริง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 แล้วก็ไปรู้สึกฝืนกฎของความเป็นจริงเราจรึงพากันเกิดทุกข์สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงทราบในเมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วก็นำมาสั่งสอนพุทธบริษัทซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ท่านให้มันพิจารณาให้รู้ถึงสภาพความเป็นจริง เริ่มตนแต่ว่าชรารรมุมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาที่รรมุมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจากล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะรร ม, มุมหิเรามีความตายเป็นธรรมดาจากพ้นจากความตายไปไม่ได้ที่สอนให้พิจนารณาอย่างนั้น เพราะให้เรารู้ซึ้งถึงสภาพความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะในการปฏิบัติธรรมะตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นเรามุ่งที่จะทำจิตใจของเราให้รู้สภาพความเป็นจริงให้ลึกซึ้งถึงจิตถึงใจแล้วจิตใจมันจะได้ยอมรับสภาพความเป็นจริงภายหลังจะไม่เกิดฝืนกฎธรรมชาติของสภาวะธรรม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 ความเป็นไปของสภาวธรรมส่วนรวมก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานั่นเองอันนี้เป็นธรรมะส่วนสภาวธรรมเรายอมรับว่าเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่พระองค์เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงและอีกอันหนึ่งนั่นคือธรรมะคำสอนเมื่อพูดถึงธรรมะเคยคาสอน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 เป็นคุณธรรมอันเป็นภาคพื้นเป็นการปรับกายวาจาและใจให้อยู่ในสภาพปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้าอันเป็นศีลที่คารวะโดยทั่วๆไปจะพึงสมาทานปฏิบัติเป็นศีล <c oughs> ซึ่งเป็นหลักใหญ่และเป็นศีลที่สําคัญศีลสิบศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด ก็รวมลงอยู่ในศีลห้าข้อจะเป็นผู้ใดก็าตามในเมื่อเมื่อมาตั้งใจที่จะสมทานรักษาศีลห้าข้อเมื่อทําศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วและตั้งใจทาสมาธิภาวนาก็สามารถที่จะทําจิตให้มีความสงบรู้ซึ้งเห็นจริงในสภาวธรรมตามความเป็นจริงไม่เฉพาะแต่เท่านั้น ยังสามารถให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ยกตัวอย่างเช่นอุบาสกอุบาสิกาในอดีตสมัยพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ก็มีหลายท่านเช่นพระนางพิสาขามหาอุบาสิกาท่านอนาถบินเดกัสอาติเดกามหาเศรษฐีท่านก็เป็นผู้คลองย่าวล่องเรือนแล้วก็มีศีลเพียงห้าข้อเท่านั้น และท่านปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุประสูดาบันคนในสมัยปัจจุบันนี้มีแต่เพียงแค่ศีลห้าก็ยังถือว่าเราน้อยหน้ า, าน้อยหน้าต่าตาศีลของเราไม่มากบางท่านก็สงสัยว่ามีศีลห้าไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้เป็นการเข้าใจผิดความจริงศีลห้าข้อนี้ มันเป็นศีลที่กำจัดบาปกรรมหรือเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปกรรมที่เราจะเพึ่งทำด้วยกายวาจาเช่นอย่างปาณาติบาตการเว้นจากการฆ่าสัตว์อธินาทานเว้นจากการหยิบสิ่งของที่เขาไม่อนุญาตกาเมสุมิถาจารเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมโมสาวาดพูดเทศสุราดื่มของเหมือนเมา ถ้าใครสมทานรักษาศีลห้าข้อนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วได้่อว่าเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปบาปการรมที่เราทำที่จะต้องไปเสวยผลคือไปตกนรกหรือไปทรมานในสถานที่หาความเจริญมีได้นั้นมีแต่การละเมิดศีลห้าข้อเท่านั้นส่วนอื่นซึ่งเราทำลงไป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 อันนั่นเป็นการเข้าใจผิดก่อนที่จะเราก่อนที่เราจะเพิ่มศีลของตัวเองให้มันมากๆขึ้นไปนั้นเราจะต้องพิจารณาถึงสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถจะรักษาศีลมากๆได้หรือไม่ถ้าเรายังไม่มีสมรรถภาพพอที่จะรักษาศีลมากๆได้เราก็ให้มั่นคงแต่เพียงในศีลห้าเท่านั้นทีนี่าววโดยทั่วไป มีแต่เพียงศีลห้าเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมุสาวาตแต่ลกเว้นการเสพสุราเรายังประดับตกแต่งด้วยระเบียบของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาได้ดูการดูหนังดูละครหรือประโคมขับดนตรีอะไรต่างๆก็ได้นอนบนที่นอนที่สูงที่ใหญ่ก็ได้ไม่ผิดศีล แต่ถ้าเราไปเพิ่มขึ้นเพิ่มข้อวิการและโพเข้าไปแต่ว่าอดข้าวเย็นไม่ได้เพิ่มข้อมาลาเข้าไปแต่ว่าเว้นจากประดับตกแต่งไม่ได้เพิ่มข้อนัจคีเข้าไปแต่เว้นจากการดูฟ้อนลำขับร้องประโคมด น, นตรีไม่ได้เพนเว้นข้ออุจจาเข้าไปแต่ก็ยังพอใจตอนในที่นอนที่สูงที่ใหญ่เราก็รักษาไม่ได้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 เมื่อมีศีลห้ามีสมาธิมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมความเป็นของตัวเองซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตนั่นแหละความที่จิตสงบเป็นสมาธิความที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมสามารถทำจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้นั่นแหละมันจะเป็นอุบายเพิ่มศีลขึ้นไปอยว่าแต่เพียงสองยเจข้อ ต่อให้หมื่นข้อแสนข้อมันก็เพิ่มได้ถ้าพื้นฐานของจิตใจดีแล้วเพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติธรรมจะขยบฐานะของการปฏิบัติของตนเองให้สูงยิ่งขึ้นไปเพียงใดแค่ไหนก็ขอให้พิจารณาดูสมรรถภาพของตัวเองอย่าไปทำอย่างงมงายทำอย่างมีเหตุมีผล เ, เข่นนคาว่ารักษาอุโบสถได้บุญมาก แต่ในเมื่อเราไปรักษาโบโสถดอดข้าวเย็นเราได้รับทุกขเวทนาอย่างในสมัยที่อาตมาเป็นพระเล็กเนนน้อยอยู่กับท่านอาจารย์เสาแล้วก็ไปพอใจติดใจในคําว่าการอดข้าวบางทีก็ชวนกันอดข้าวสามวันห้าวันเจ็ดวันบางทีก็อดกันกระทั่งถึง9วันก็มี <c oughs> แต่เมื่ออดลงไปแล้วผลที่ได้รับ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 องทนทุกทรมานพยาบาลรักษากันไปเป็นเวลานา น, านกว่าจะหายเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราจะทำลงไปที่เราถือว่าเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติจริงเราอย่าปฏิบัติกันอย่างงมงายทำให้มันมีเหตุมีผลพิจารณาดูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจของตัวเองว่าจะมีความสามารถเพียงใดหรือไม่อนนี้อาจาขอให้คติเอาไว ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติสมาธิกันดีกว่าไอเรื่องของการปฏิบัติสมาธินี่ก็หมายถึงการทำสมถะวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วแต่ในบางครั้งบางคราวเราอาจจะมีความสงสัยว่าเราจะปฏิบัติอย่างไหนแบบใดจึงจะได้ผลดี บางท่านก็เคยไปถามว่าหลวงพ่ออยากจะปฏิบัติให้มันได้ผลเร็วที่สุดจะทําอย่างไรมีอุบา h t ใดบ้างที่จะทําให้ปฏิบัติได้ผลเร็วอัตมา ก, ก็บอกว่ามันไม่มีแล้วในโลกนี้วิธีที่จะปฏิบัติให้ได้ผลเร็วกันจริงๆก็อยู่ที่การตั้งใจทําจริงทําลงไปโดยปราศจากความลังเลสงสยัยใดๆทั้งสิ้น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 ถ้ายังสมมติว่าไปเรียนจากท่านอาจารย์เสา อ, อาจารย์มั่นท่านสอนให้ภาวนาพุทธโธก็ตั้งใจให้มันมั่นลงไปว่าเราจะภาวนาพุทธโธความสาคัญมันก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงการทําจริงเอาแต่ว่าสมมติว่าท่านจะบริกรรมภาวนาอันใดก็ตามหากท่านจะตั้งใจให้มันแน่วแน่ลงไปว่าเราจะทําเราจะนั่งสมาธิ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 แล้วให้มารวมอยู่กับคำวกรรมภาวนาเพียงคำเดียวเป็นเบื้องต้นก่อนจุดมุ่งหมายมีอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้ในอันดับต่อไปเนี่ยอา จ, จารย์เจได้นำแบบวิธีการที่ท่านอาจารย์เสาท่านได้สอนกรรมาฐานมาในเทศที่วัดเบนจม่าบอพิษก็ได้เทศให้ท่านทั้งหลายฟังแล้ว ท่านอาจารย์เสาท่านสอนกรรมฐานท่านแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนตอนที่ท่านสอนให้บริกรรมภาวนาพุโทโธตอนที่สองสอนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานตอนที่สามสอนให้พิจารณ า, าธาตุกรรมฐานทีนี้วิธีการภาวนาพุโทโธหรือเรียวกว่า บ, บริกรรมภาวนานั้น ถ้าท่านผู้ใดสนใจก็หนังสือเล่มเล็กๆที่แจกไปเมื่อสักครู่นั้นนั่นแหละคือแบบภาวนาแบบท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์เสาท่านสอนว่าหลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์จบแล้วก็ให้แผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาแล้วก็มากําหนดจิตนึกถึงพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆ แล้วก็บริกรรมภาวนาเอาเพียงแค่พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธคําเดียวใครจะนึกพุทพร้อมกับลมเข้าโธพร้อมกับลมออกก็ได้ถ้าหากการนึกพุทพร้อมลมเข้าโทรพร้อมลมออกจังหวะของการหายใจมันอาจจะช้าไปจิตอาจจะส่งกระแสไปในทางอื่นได้ ก็ให้ปล่อยวางการกำหนดรู้ลมหายใจเสียนึกพุโทโธให้เร็วๆเข้าให้มันติดต่อกันเป็นพืชโดยไม่ขาดสายเนึกอยู่อย่างนั้นอย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจะรู้จะเห็นเมื่อไรจิตจะสว่างไม่ต้องนึกหน้าที่ของท่านมีแต่เนึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไว้ในใจนึกเบาๆอย่าให้มีอาการกมจิต อย่าให้มีอาการเก่งกล่ามเนื้อต่างส่วนต่างๆของร่างกายนั่งในท่าที่สบายนึกถึงอารมณ์พุโทโธให้ายสบา ย, บายให้เบาใจที่สุดแล้วก็นึกอยู่อย่างนั้นจดจ้องอยู่ที่พุโทโธเอาพุโทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้ที่พุโทโธในเมื่อเราในเมื่อเราเนกพุโทโธพุโทโธก็อยู่ที่จิตจิตก็อยู่ที่พุโทโธเพราะจิตเป็นผู้นึกพุโทโธ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 เมื่อจิตสงบวูบลงไปเหมือนอาการง่วงนอนก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่าไปฝืนเนี่ในตอนนี้นักภาวนาทั้งหลายในเมื่อรู้สึกว่ามีอาการเพิ่มเหมือนกับจะง่วงนอนแล้วก็มีอาการวูบลงไปแล้วก็ตกใจเกิดเอกใจขึ้นมาแล้วก็มาตั้งต้นใหม่จิตก็เลยไม่สงบอีกสักทีเพราะเราไปตกใจเสียก่อน ในขณะที่เราบริกรรมภาวนาอยู่นั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามให้เรากำหนดรู้ลงที่จิตและบริกรรมภาวนาพุโทโธลงที่จิตเมื่อจิตของเราสงบเพิ่มลงไปแล้วก็สว่างขึ้นมาคำบริกรรมภาวนาพุโทโธหายไปจิตไม่นึกถึงพุโทโธอีกแล้วในตอนนี้ก็อย่าเข้าใจผิดว่าเราเผลอไป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 อันนระยะเบื้องต้นของจิตที่เป็นจากการบริกรรมภาวนาทีนี้ในอันดับต่อไปเมื่อจิตของเราสงบปุ๊บลงไปนิ่งสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้ถ้าากว่าจิตของเราไปนิ่งสว่างอยู่เฉยเฉยเราจะทำอย่างไรท่านอาจารย์เสาท่านสอนให้กาหนดรู้อยู่ตรงที่จิตสว่างกาหนดรู้เฉย อ, อยู่กาหนดอยู่อย่างนั้น จนกว่าเจตจะสงบระเอียดลงไปเป็นลำดับลำดับลงไปถ้าหากว่าในตอนนี้เจตของเราเกิดมาลู้ลมหายใจขึ้นมาภายในท่านอาจารย์เสาสอนให้กำหนดลู้ลมหายใจเฉยอยู่เราจะดูลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ดูอยู่เฉยเฉยอย่าไปทักไปท้วงหรือไปเอะใจใดๆท้งนั้น แล้วก็ไม่ไป น, นึกว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบเพียงแต่กำหนดรู้ที่ลมหายใจเท่านั้นถ้าหากเราไปกำหนดหมายว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบให้เกิดความรู้สึกขึ้นในขนาดนั้นจิตของเราจะเปลี่ยนสภาพสมาธิจะถอนดังนั้นจึงให้กำหนดดูลมหายใจอยู่เลย ในตอนนี้ถ้าหากว่าจิตของเราสงบสว่างลงไปแล้วจิตดวงใดวิ่งเข้ามาดูลมหายใจก็จะรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเมื่อจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจออกเข้าออกเข้าอาอกเข้าอยู่อย่างนั้นเราก็ดูอยู่อย่างนั้นแหละเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเอาลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วในที่สุดจิตของเราจะสงบละเอียดยิ่งลงไป เมื่อจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปลมหายใจที่มองเห็นอยู่ก็ละเอียดยิ่งลงไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งลมหายใจก็หายขาดไปแล้วความรู้สึกว่ามีกายก็หายไปในตอนนี้จิตจะไปสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆเพียงแต่สงบนิ่งสว่างอยู่เท่านั้น ในตอนนี้จิตจะไม่มีความรู้ความคิดอะไรเกิดขึ้นความรู้ว่ามีกายก็ไม่มีความรู้ว่ามีลมหายใจก็ไม่มีในตอนนี้จิตมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆ น, นิ่งสงบสว่างอยู่เท่านั้นอันนี้จิตสงบละเอียดลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิ แต่อปปนาสมาธิในตอนนี้ยังใช้การอะไรไม่ได้แต่เราจำเป็นที่จะต้องทำให้มันถึงอปปนาสมาธิขั้นนี้ทำบ่อยๆจิตสงบถึงขั้นนี้บ่อยๆเข้าจะเป็นเหตุให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของเราว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อก่อนนี้เราเห็นในจิตของเราว่าวุ่นอยู่กับอารมณ์ต่างๆ เมื่อบริกรรมภาวนารมจิตให้สงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิจิตปราศจากอารมณ์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดใดท้งนั้นมีแต่ความสงบนิ่งสว่างอยู่เราก็รู้สภาพความจริงของจิตดั้งเดิมมันเป็นอย่างนี้ในจุดนี้ท่านเรียกว่าประพัสละมิทางพิกเวจิตตังเดิมจิตของเราเป็นธรรมชาติประพัฒสอเป็นจิตที่ สงบสว่างสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพียงพอเพราะเชื้อกิเลสมันหดเข้าไปอยู่ในเบ้าของจิตอยู่ในส่วนลึกของจิตมันยังไม่แสดงออกมาจิตในตอนนี้สติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์ mm hmm. เพียงแต่พอสงบแล้วก็ทรงตัวอยู่ในความสงบชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นท่านเรียกจิตตอนนี้ว่าปฐมมาจิต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 ทีนี้เมื่อเราทําจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็ทําให้เรามีความชํชนานิชํานาญในตอนตอน้นจิตของเราบริกรรมภาวนาแล้วมันอาจจะสงบวูบลงไปถึงจุดนิ่งเรากําหนดรู้แต่เบื้องตน้นแต่ในทถ้ำกลางเราไม่รู้แล้วก็ไปรู้เอาเบื้องปลายคือจุดที่จิตสงบนิ่งสว่างเท่านั้น อันนี้เป็นสมาธิใล้ๆกับว่าทำไปแล้วมันฟลุกมันยังไม่ประกอบด้วยองค์แต่อาศัยการกระทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าเมื่อเรามีความชำนิชํำนานเราจะสามารถเข้าสมาธิกำหนดรู้ตามระยะขององค์ฌานคือเริ่มต้นแต่วิตกหายถึงการนึกถึงอารมณ์เป็นผู้ของใจ วิจารณ์จิตกับอารมณ์เคล้าคลึงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเกิดสงบสว่างขึ้นในอันดับต่อไปก็เกิดมีปีติมีความสุขเมื่อจิตมีปีติมีความสุขจิตก็มีความสงบในเมื่อสงบลงไปก็นิ่งเป็นเอกับขาตาอันนี้เป็นลักษณะของจิตเดินอยู่ในระดับฌานขั้นที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าปฐมฌาน สมาธิที่ประกอบด้วยองค์ชานจึงจะเป็นสมาธิที่ใช้การได้ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นจิตที่ควรน้อมไปสู่อารมณ์เพื่อพิจารณาพระไตรักษ์ได้เราต้องพยายามฝึกขาดจิตของเราให้เป็นอย่างนี้โดยความเยือกเย็นหรือโดยความเย็นใจทำใจเย็นๆอย่าไปทาอย่าไปทาใจร้อนการปฏิบัติธรรมนี่ต้องใจเย็นๆ ถ้าใครทำใจร้อนแล้วมันจะไม่ประสบผลทีนี้อีกอย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาเนี่ยอันนี้ตามที่ว่ามานี่เป็นจิตที่เดินเข้าไปสู่สมาธิโดยทางที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเมื่อเราบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเกิดความสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้ เมื่อเจตสรงกระแสะออกไปข้างนอกจะเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาถ้าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นมาผู้ภาวนาเกิดเอกใจขึ้นมาลกใจขึ้นมาถ้าเกิดความแปลกใจแรงขึ้นมาสมาธิจะถอนภาพนิมิตนั้นจะหายไปแต่ถ้าหากว่าภาพนิมิตเกิดขึ้นในขนาดนั้น ถ้าอยากจะดูนิมิตจบูนานนานให้กําหนดรู้ลงที่จิตรู้อยู่ที่จิตซึ่งเป็นจิตเป็นจุดที่สงบเท่านั้นแล้วก็พยายามทําความรู้สึกว่านิมิต ท, ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความที่จิตสงบเป็นสมาธิถ้าหากเราพระจากฐานที่ตั้งของจิตคือความสงบไปยึดอยู่กับนิมิต ท, ที่เรามองเห็นนั้นมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองอย่าง หนึ่งเมื่อเห็นนิมิตเกิดเอจใจสมาธิจะถอนสองเมื่อเจตเห็นนิมิตแล้วไปติดในนิมิตเจตส่งกระแสออกไปข้างนอกไปติดนิมิตแล้วก็จะตามนิมิตละนั้นไปถ้าเห็นนิมิตเป็นคนก็จะเดินตามคนไปเห็นนิมิตเป็นเทวดาก็จะตามเทวดาไปถ้าเลืกอยากจะดูนรกดูสวรรค์ ก็ตามเทวดาหรือตามสัตว์นรกไปก็เห็นนรกเห็นสวรรค์อันนี้เป็นเรื่องของจิตที่ส่งกระแสออกไปข้างนอกแล้วก็เป็นรู้เรื่องของภายนอกการรู้เรื่องของภายนอกนี้ถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญาบ้างพอสมควรก็กําหนดรู้พิจารณาสิ่งที่เห็นภายนอกนั้นเย็ดเอาเป็นอารมณ์กรรมาฐานเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติก็เป็นการใช้ได้เหมือนกัน แต่ปัญหาสําคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าเห็นในเม็ดภายนอกแล้วผู้ปฏิบัติมักจะเกิดความหลงขึ้นมาหลงว่าในเม็ดนั้นมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเห็นคนก็บ่าคนเดินมาจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นผูดผีปีศาจเนี่เราจะเข้าใจว่าผู้ปีศาจเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งมาขอส่วนบุญทีนี้เราก็จะหลงไปแผ่ส่วนบุญให้เขาอยู่อย่างนั้น เมื่อ น, นึกแกแพส่วนบุญขึ้นมาเทไรสมาธิมันก็ถอนพาพนิมิต ท, ทั้งหลายก็หายไปในเรื่องของเรื่องมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายเพ่งสังวรระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนานี้ให้ดีเราจะสังวรระวังอย่างไรให้พยายามกำนดรู้ลงที่จิตในจุด ท, ที่ว่ามันเป็นสมาธิหรือความสงบเท่านั้น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 อันนี้ขอเตือนบรรดาท่านท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจเอาไว้ทีนี้สำหรับการบริกรรมภาวนานั้นบางครั้งก็ได้เคยได้เคยกล่าวแล้วว่าบริกรรมภาวนาทุกอย่างที่เรานึกอยู่ในคำคาเดียวนั้นสามารถทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิจะขอยกอนุสษษติสิขึ้นมากล่าว อนุสติส0บข้อตั้งแต่พุทธานุสติจนไปถึงข้อที่8ใครจะบริกรรมภาวนาอย่างไรจิตสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้น <c oughs> ไม่ถึงอัปปนาสมาธิแต่อนุสติสองข้อข้างปลายคือข้อ8กับข้อข้อ9กับข้อส0กายคตาสติกับอนาปานุสติ อันนี้เป็นอุบายทมจิตให้สงบเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะเพราะฉะนั้นเพราะอาศัยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ท่านอาจารย์เสาท่านจึงกล่าวว่าเมื่อบริกรรมภาวนาทมจิตให้เป็นสมาธิได้ดีพอสมควรแล้วเพืงน้อมจิตไปพิจารณาอสุภกรรมาฐานอันนี้ถึงอันดับที่สองซึ่งเป็นโอวาทของท่านอาจารย์เสา การพิจารณาอาสุภะกรรมฐานนั้นก็ยึดเอากายักตาสติกรรมฐานนั่นแหละเป็นอารมณ์โดยท่านให้ยึดหลักการพิจารณากรรมฐานหาเป็นเบื้องต้นเช่นอย่างพระสงฆ์ท่านพระเนนท่านบวชอุปชายะท่านจะสอนให้สอนกรรมฐานหาให้เรียกว่าตาจัปันจกกะกรรมฐาน ท่านสอนให้ว่าเกษาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโลมาเกษาแล้วท่านก็นย้ำให้พิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเพราะเหตุว่าสิ่งเหล่านี้ผู้เป็นเจ้าของจะต้องคอยบริหารรักษาทําความสะอาดอยู่เสมอ ถ้าปล่อยไว้ก็สกโสโครบโสโครกเหม็นสาบเหม็นสางไม่น่าดูอันนี้ท่านจะสอนอย่างนี้ทีนี้ทาไมนักบวชท่านจึงมุ่งสอนให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหลังให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครบที่ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพื่อเป็นอุบายเปิดประตูใจให้รู้ความเป็นจริงของ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 คนที่มีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนมีขนงามเขาเรียกว่าคนงามคนมีเล็บงามเขาเรียกว่าคนงามคนมีฟันงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนมีผิวหนังเกลี้ยงเกลาสะอาดเขาก็เรียก ว, ๆๆว่าคนงามเพราะความงามอันนี้แหละมันเป็นเครื่องปิดหูปิดตาไม่ให้มองเห็นสภาพความเป็นจริงซึ่งซ่อนอยู่ภายในดังนั้นท่านจึงท่านจึงสอนให้พิจารณาสิ่งทั้งห้านี้ก่อน โดยพิจารณาน้อมไปในแง่ที่เป็นอสุภกรรมฐานคือเป็นของไม่งามน่าเกลียดโสโครกแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นของปฏิกูลหน้าเกลียดโสโครกถ้าเผื่อว่าร่างกายนี่มันแตกดับทําลายคือตายลงไปแล้วความเน่ามันก็จะเกิดขึ้นความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกมันก็ยิ่งจะปลากรชัดท่านให้พิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งจิตสงบลงไปเป็นสมาธิ เกิดในเมตมองเห็นสิ่งทั้งห้านี้ว่าเป็นของปฏิกูณน่าเกลียโศโกรกจริงๆเพื่อจะได้เป็นอุบายถ่าย ถ, ายถอนราคะความกําหนัดจริงดีไม่ให้เกิดขึ้นกลุ้มหลุมจิตใจผู้บวชในพระธรรมวินัยจะได้โอกาสเราพฤ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงและจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืบไปอันนี้เป็นอุบายการพิจารณาตามแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาดำไว้ ทีนี้ในขั้นต่อไปถ้าหากสมมติว่าผู้ภาวนาพิจารณาอสุภกรรมาฐานให้รู้แจ้งเขียนจริงว่าผมขนเล็บเป็นต้นเป็นของปฏิโกณหน่าเกรดเน่าเปื่อยผุกพังได้อสุภกรรมาฐานชํานิชํานาญแล้วในขั้นต่อไปเพื่อจะฝึกจิตให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมาฐานท่านจริงแนะนําให้พิจารณากายทั้งหมดนี้ แยกออกเป็นสี่ส่วนคือเป็นส่วนดินน้ำลมไฟผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นซึ่งมีลักษณะแข่นแหลแข็งเป็นาธาตุดินทำไมผมจึงเป็นาธาตุดินก็เพราะว่าเมื่อผมสลายตัวลงไปแล้วจะต้องกลายเป็นดินท่านให้พิจารณาให้มองเห็นว่า ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นดินจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาในความรู้จริงๆในขั้นต่อไปก็พิจรารณาดูน้ำได้แก่ธาตุน้ำเลือดหนอ้องเหงื่อน้ำลายน้ำมูกน้ามูดอะไรต่างๆซึ่งเป็นมีสิ่งที่มีลักษณะเหลวๆซึมซาบอยู่ภายในกายอันนี้ ท่านเรียกว่าธาตุน้ำก็พิจารณาให้มันเห็นว่าเป็นน้ำจริงๆความอบอุ่นหรือความร้อนที่มีอยู่ในกายนี้เป็นธาตุไฟทีนี้ลมธาตุลมคือลมเคลื่นอนพัดขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องล่างลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเป็นธาตุลม ถ้านในพิจารณาให้เห็นซึ้งลงไปว่าธาตุสี่นี้ประกอบร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธาตุสี่ประชุมกันอยู่แล้วสิสนทิวิญญาณเข้ามายึดครองโดยถือว่าเป็นตัวเป็นตนของตนอาศัยกิเลตตัณหามานะทิฐิยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตน ในเมื่อได้พิจารณาว่าร่างกายนี้สักแต่ว่าเป็นธาตุสี่ที่น้ำลมไปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีแต่สิ่งที่ไม่มีตัวมีตนทั้งนั้นเพราะเป็นแต่เพียงธาตุสี่ผู้ภาวนาก็จะได้ความรู้ในแง่อนาตตสัญญาเคยเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในเมื่อพิจารณาลู เรื่องของธาตุสี่โดยละเอียดดีแล้วจิตรู้ซึ้งลงไปจนกระทั่งมองเห็นนิเมิตว่าร่างกายทั้งหมดนี้เป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอย่างจริงจังซึ้งลงไปในจิตในใจแล้วเจิตมันก็รู้ขึ้นมาเองว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตนเป็นแต่เพียงธาตุสี่เท่านั้นในเมื่อจิตมารู้อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้ว ทำไมมันจะไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสนาขอให้เราพิจารณาให้มันซึ้งลงไปถองว่าให้รู้ซึ้งลงไปว่าร่างกายทั้งหมดนี้เพียงแต่เป็นธาตุสี่ที่น้ำลมไฟเท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัว ต, วตนเราเขาเราก็จะสามารถรู้ว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาซึ่งไปตรงกับคำบาลีว่าสัพเพธรรมาอนัตตา นี่แนวทางของท่านอาจารย์เสาท่านสอนให้พิจารณาและให้พิจารณาอย่างนี้ซึ่งอาตมาได้นํามาเล่าสู่บรรดาท่านทั้งหลายฟังและจะด้วยประการใดก็าตามถ้าท่านะจะเป็นนักปฏิบัติธรรมกันจริงจังแล้วอย่าได้ไปสงสัยในวิธีการแห่งการปฏิบัตินานโครูบาอาจารย์องค์ใดสอนมาเป็นการถูกต้องทั้งขอว่าแต่ให้ท่านทําจริงเท่านั้น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 จงเตรียมนั่งสมาธิโดยตั้งใจทำความรู้สึกภายในจิตของตัวเองว่าฉันจะตั้งใจทำสมาธิให้ดวงจิตของฉันเป็นสมาธิสติพวังฉันจะยึดเอา พุทธคุณบท ว, ว่าพุทโธพุทโธพุทโธมาบริกรรมภาวนาเป็นคู่ของใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วคนเล็กพุทรพร้อมลมเข้าโทรพร้อมลมออกกำหนดจดจ้องรู้อยู่ที่ลมกับคำว่าพุทโธให้มีความสัมพันธ์กัน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 เป็นกิริยาอาการของพระพุทธเกิดขึ้นภายในจิตของท่านเมื่อจิตของท่านมีพระพุทธเกิดขึ้นภายในจิตเมื่อเห็นพระพุทธรู้พระพุทธแล้วก็รู้เห็นพระธรรมเมื่อรู้เห็นพระพุทธพระธรรมแล้วก็รู้เห็นพระสงฆ์กิริยาของจิตที่สงบนิ่งตื่นรู้เบิกบานอยู่เป็นกิริยาของพระพุทธเจ้า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 ท่านทําจิตให้เป็นสมาธิสงบนิ่งสว่างลงไปได้ณนะโอกาสใดโอกาสนั้นประพุทธธรรมประสงค์เกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วจิตของท่านถึงประพุทธธรรมประสงค์จิตของท่านพบพระพุทธธรรมประสงค์แล้วให้ท่านกําหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวอย่าไปนึกพุทโธอีก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 คอยสังเกตดูว่าจิตส่งกระแสไปหเคลื่อนที่ไปนั้นเคลื่อนไปด้วยความมีสติด้วยความสงบหรือเคลื่อนไปด้วยความที่จิตถอนจากสมาธิแล้วก็ฟุ้งซ่านไปบางท่านอาจจะกำหนดไม่รู้ทันจิตของตนเองเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วบางท่านก็เป็นนิ่งอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่ง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 เมื่อจิตมีอารมณ์คือความคิดอันใดเกิดขึ้นทำให้จิตรู้ด้วยความสงบเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านทำให้เกิดปีติเกิดความแจ่มในจิตเมื่อมีความรู้เกิดขึ้นหรือบางครั้งอาจจะทำให้เกิดปีติปลาโม์ขึ้นมาในขณะนั้นในลักษณะอย่างนี้แม้จิตของท่านจะมีความคิดขึ้นมา เป็นกิิยาอาการของจิตที่เกิดภูมิความรู้ขึ้นมาในสมาธิทั้งสองอย่างนี้ขอทให้ท่านพึงสังเกตให้ดีถ้าท่านใช้ความสังเกตให้ดีแล้วท่านก็จะได้ความรู้เท่าเอาทันวาระของจิตที่มันเกิดขึ้นและรู้ลักษณะของจิตที่มันเกิดความรู้กับจิตเกิดความฟุ้งซ่านมันต่างกันอย่างไรอันนี้เป็นจุดสาคัญที่นักปฏิบัติจะพึงกาหนดรู้ เอาต่อไปนี้เลิกพูดขอให้ทุกท่านจงตั้งใจทําความสงบจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรทามีระถาโอกาสนี้จะได้กล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังทั้งหลาย ท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นนักศึกษาธรรมะย่อมสามารถที่จะได้อ่านได้รู้ได้จดจำพระวินัยพระสูตรพระประมัตอันพิภะพระไตรปิฎกมามากพอสมควรเมื่อเป็นเช่นนั้นเรื่องราวแห่งธรรมะที่จะนำมากล่าวซ้ำาๆำซากๆาก จึงเห็นว่าไม่จำเป็นซึ่งอาธรรมะเองก็อ่านพระไตรปิฎกยังไม่จบบางท่านก็อาจจะได้อ่านจบมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบเที่ยวตั้งแต่บวชมาเคยอ่านเคยหัดอ่านแต่หัวใจของตัวเองและเคยคิดแต่ว่าพระพุทธเจ้าเทศว่า ใครเอาธรรมะมาไว้ในหัวใจของเราได้ทำให้เรามีความสุขความสบายมีปีติมีความสุขและหมดกิเลส ท, ทีนี้มันก็เลยเกิดมีปัญหาอยู่ว่าทาอย่างไรเราจึงจะเอาธรรมะมาไว้ที่หัวใจเราได้พอคิดไปคิดมา มันก็ได้ความว่าแท้ที่จริงนี่ธรรมะมีกับเรามาแล้วหลายภพหลายชาติคนเรามีกายกับใจเป็นสมบัติของตัวเองเราย่อมมีธรร ม, มะเป็นสมบัติของตนแต่ในบางครั้งเราก็รู้สึกว่าออกจะโลเท่าไม่ถึงการไปมองข้ามสิ่งที่เรามีอยู่ เราจึงไม่รู้ว่าธรรมะเป็นเราเราฉะนั้นวิธีการที่จะเอาธรรมะเข้ามาไว้ที่จิตที่ใจเพื่อให้เกิดความสุขแก่ใจนั้นวิธีการท่านทั้งหลายได้ศึกษามาแล้วในคำพีพระไตรปิฎก แม้ในคำร์พระอภิธรรมท่านก็วางหลักเอาไว้ถึงสี่สิบอย่างซึ่งเรียกว่าอารมณ์สมถกรรมฐานบางท่านก็ท่องได้จนขึ้นใจแต่ว่าปัญหาที่จะเอากรรมฐานสี่สิบอย่างนี่มาไว้ที่ใจนี่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันคิดทีนี้วิธีการต่างๆท่านทั้งหลายก็คงได้ยินได้ฟัง วันนี้หลวงพ่อพุทธเทศวิธีการเอาธรรมะเข้าใจด้วยวิธีการภาวนาพุทโทธบางท่านอาจจะเคยเรียนมาโดยวิธีอื่นอาจจะนึกแปลกใจว่าทำไมองค์นี้มาเทศอย่างนี้เมืเ่อวานหรืออาทิตย์ก่อนก่อนโน้นได้ฟังเทศองค์หนึ่งท่านกว่าต้องทำอย่างนี้จึงจะเอาธรรมะเข้าในจิตในใจได้ ละแต่และองค์กเทศไปคนละอย่างไม่ทราบว่าจะยึดเอาแบบไหนอย่างไร